หลังจากที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นกษัตริย์พระนามว่าเขมะเนนะถวายของทุกอย่างที่ที่ท่านยินดีที่ท่านปรารถนาพระมุนีผู้มีโมเนยธรรมคือพระกัจุสมัมภาุทธเจ้าผู้นําวิเศษพระองค์นั้นก็พุทธพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าในพัทธกัปนี้แลแต่ว่าต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกสององค์นะพลพระพุทธเจ้าโกนาคมนะัมณะผ่านพระพุทธเจ้ากัสปะ เลยจากนั้นไปท่านผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่กลับนี้ไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วก็กล่าวถึงว่าพระธ ท, ทาคตผู้สร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมออกอภินิสกรมออกบวชจากกรุงกบิลพั์อันน่ารื่นรมตั้งความเพียรแล้วก็ทำทุกขะระกิริยารวบรวมโพธิปักจะธรรม พระตถาคตประทับนั่งณนโะคนต้นอาชะปาละนิคโครรับข้าวมาทุปป่ายาสนะที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสเวยข้าวมาทุปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพพฤกจากนั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทำประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูณนโะคนโรพพฤกชื่อว่าต้น อสัทะเนี่ยนะต้นต้นอสัทะก็คือต้นโพใบท่านผู้นี้ต่อไปจกมีพุทธมารดาพระนางมายาพุทธบิดาพระเจ้าสุดโทธนะผู้นี้มีนามตามโคดว่าโคตมะ <c oughs> จกมีพระอัครสาวกเชื่อว่าโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพุทธอุปถากเชื่อว่าพระอ น, นุ์จักบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้ จะมีอัคาราสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลว น, นาทั้งคู่นั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอาศาาัศธ า, า, าอัคระอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลวักะอะกะัอาคาระอุปถายิกาก็ชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นเกิดในสมัยคนมีพระชนมายุามี สมัยที่คนมีอายุร้อยปีแต่พระองค์ดำรงอยู่80ปีเนี่ยนะแม้พยากรณ์เมื่อสมัยเขาหลายๆปีเนี่ยพอฟังร้อยปีเนี่ยะ น, นะใจแป้วเลยนะอายุน้อยจังเลยเนาะเหมือนกันทีนี้ขณะที่พระองค์พยากรเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้พยากรณ์แอบไปซุ่มพยากร์คุยกันสองคนนะเออเนี่ยท่านจะเป็นพระพุทธเจ้านะแบบลับๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่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 แต่ก็ไม่ใช่น้อยหวังแบบลมๆแรงๆนะแต่ก็คนไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันที่หวังแบบจิตใจชุ่มเชิญว่าตรัสรู้แน่อย่างพระพระเทระรูปหนึ่งผู้เรียบเรียงดีกาเนี่ยท่านแต่ฉานทั้งประไตรปิฎกอัตถคถาจําได้หมดเลยท่านจําได้หมดเลยแล้วก็แตกฉานมากท่านชื่อว่าพระสารีบุตรเทระไม่ใช่สารีบุตรเนี่ยนะเป็นสารีบุตรลังกาไม่ใช่สารีบุตร ที่อินเดียเป็นสารีบทชาวลังกาเป็นพระที่แตกฉานทั้งพระไตรปิฎกอัตถาและก็ดีกาแล้วก็เรียบเรียงดีกาอะไรเนี่ยนะท่านก็ทำบุญและตั้งความปรารถนาขอให้ดำรงอยู่ในดาวดึงไปเรื่อยๆมางั้นนะแต่จริงๆก็อยู่ดาวดึงต้องอยู่หลายรอบมากจึงพระศรีอานอยังยังมาเพรา ะ, ะขอให้ถ้าระหว่างที่พระศรอานมาข อ, ขอให้ท่านได้มาเกิด แล้วก็ฟังทำรรก็ได้บรรลุแล้วก็เพื่อจะได้ช่วยงานพระาศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรนะบางท่านก็คิดยาวไปอย่างนั้นบางท่านก็ยาวกว่านั้นอีกไงนะก็แล้วแต่อัธยาศัยบางเงื่นนะแต่ที่แน่ๆก็บอกแล้วแต่อัธยาศัยแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยาว่าแล้วแต่อัธยาศัยเนี่ยขอให้มันอยู่ใน อัธยาศัยหนะต้องเป็นอะไรอะโลพัธยาศัยอะโทสัธยาศัยอโมหัธยาศัยเนคข ม, มัตยาศัยวิเวกัตยาศัยและนิสรณัตยาศัยไม่ใช่ว่าขี้โกรธก็อนุรักษ์นิยมขี้โลภ ก, ก็แมไม่ยอมแปลเปลี่ยนเลยไม่ใช่โง่เขาก็ขอให้มันโง่ต่อไปถ้าอัธยาศัยเร็วๆอย่างนี้นะละได้ก็รีบละเนี่ยนะขจัดได้ก็เรีบขจัดไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแบบนั้น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 ทำไมเราต้องรอบรรลุจากพลพระพุทธเจ้าองค์หน้าด้วยก็เหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าเ อ, อจะทานอาหารกันไหมอาหารเนี่ยตั้งเต็มโตะอาหารอย่างดีประณีตหิวก็หิวมากบอกว่าถ้าไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะอาหารอีกสามปีข้างหน้ามีอีกมื้อนึงบอกโอ้จะรอก็รอไปเหอะ น, นะบางท่านเนี่บอกว่าพอได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นี่เพียนเลยทําไมเราต้องรอนานขนาดนั้นทําไมจะต้องไปเจ็บปวดเวียนว่ายตายเกิดเพราะระหว่างเนี่ยนะ อย่างตัวไหนครับว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทภมาจนถึงพระพุทธเจ้า<ะ>กัสปะหรือจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถามว่าระหว่ังนี่เป็นเดรัจฉานไหมบอกเป็นตกนรกไหมตกตขนาดเนี้ยนะกับเดียวกันเนี้ยนะเดรัจฉานก็เป็นไล่ตั้งอะไรมาปลาช่อนก็เป็นกระต่ายก็เป็นนะลิงก็เป็นกระบือก็เป็นช้างก็เป็นอะไรอีก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 สงสารถามว่าเชื่อไหมแล้วบอกเขาเขาาเชื่อเราไหมไม่ง่ายหรอกเนี่ยนะเพราะเขามีความมั่นใจเต็มร้อยเขบอกน้ำมันเขาเต็มถังแล้วว่างั้นรถเขาแรงเพราะเขาจะปฏิบัติอย่างเดียวโดยที่เขาไม่สนใจนะว่าปฏิบัติอะไรอย่างหลายท่านเนี่ยนะอย่างอันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้พูดมาเพื่อเน็บเพื่อแหนมเพื่ออะไรแต่เล่าให้ฟังว่าเขาไปที่ต้นโพกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตต่สรู้อะไรเขายังไม่รู้เลยเขาจะคอไปนั่งงึบ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 มาก็มานึกถึงเออแล้วพวกแขกที่มันเดินเข้าออกตรงนั้นวันละไม่รู้กี่รอบไปพวกนี้สขึ้นสวรรค์หลายกับเหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะที่สําคัญว่าที่เขาไประลึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ตรัสรูอรออรสร้อะไรเนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรเนี่ยนะตรัสรู้อะไรบ้างอันนั้นคือสิ่งที่เป็นสาระสําคัญที่ต้องไปทําความเข้าใจหรือเก็บข้อมูลรวบรวมแล้วไปอ่านที่นั่นก็ได้ว่าพระ อ, องค์ ไปนั่งทําอะไรไปตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะตรัสรู้แล้วมันมีผลมีประโยชน์ดีอย่างไรเนี่ยน ะ, ะพระองค์ไปนั่งสถานที่โพธิที่บัลลังก์เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันพระองค์คิดอะไรบ้างพูดอะไรออกมาบ้างอุทานอะไรออกมาบ้างะนะเพราะอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจให้มากๆจะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะว่ายคนละอย่างกันก็ได้เนี่ยน ะ, ะพระพุทธเจ้าในความคิดของเราก็ได้อาจจะไม่ใช่ พระพุทธเจ้าองค์องค์เดียวกันกับแ บ, บตรงนั้นอ่ะนะอันนี้ก็คือ อ, อยากจะเล่าให้ฟังว่าพยายามทําความเข้าใจให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ะตรัสรู้อะไรถ้าตรัสรู้คนละอย่างจากที่เราคิดก็ถือว่าพระพุทธเจ้าคนละองค์นะพระพุทธเจ้าคนละองค์กันมันต้อง อ, อยากให้ทบทวนให้ดีๆว่าพระองค์จะบอก ว, ว่าต้นโพต้นโพก็คือโพธิแปลว่าการตรัสรู้โพธิเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของ สูงสุดเลยคือสัพพัญยุตยานหรือโพธิเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานเป็นชื่อของมักคยานผลยานหรือเป็นพูดเป็นชื่อของโพชงหรือเป็นชื่อของโพธิปัจขยธรรมแล้วคุณธรรมเหล่านี้มาจากไหนมาอย่างไรคุณธรรมเหล่านี้ท่านท่านตรัสรู้อะไรรู้แล้วมันดีอย่างไงนาออกจากทุกเหล่าไหนาบ้างอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปค่อยๆทาความเข้าใจจนกว่า ถ้ายังไม่รู้วันนี้ก็ขอให้มันมีโจทย์เดี๋ยววันหน้าตอบได้เองแล้วสบายใจนะนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็กรอกตัวเองไปวันๆหนึ่งก็ดีอ่ะนะก็เกลี้ย ก, กล่อมให้ก็เป็นกุศลสัสังขาริกก็ยังดีอ่ะนะสัสังขาริกเริ่มเออเชื่อเธอดีนะพระพุทธเจ้าก็ดีแต่ว่าถ้าสัสังขาริกอยู่อย่างนี้ถ้าความเข้าใจไม่พอเชื่อเถอะเดียวก็เลิกนะเพราะว่าคนที่ไปบริเวณนั้นไม่ได้เลื่อมใสกันทั้งหมดเนี่ยนะพอมาเคยไปนั่งสนทนากับภิกษุบางรูปไม่ได้เลื่อมใสเลย นะไม่ได้เลื่อมสายในเขาก็ไปนะมีผู้ออกทุนออกรอนออกอะไรให้ไปใช้จ่ายเยอะแยะเลยแต่เขาไม่ได้ไปเลื่อมสายในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลยเขาไม่มีใจอนุโมทนากับบุคคลที่ไปบูชาเลยเขาพกแต่ความสงสัยไปเต็มหัวใจเนี่ยนะพกแต่ความสงสัยไปเต็มหัวใจกำลังนึกถึงว่าเออถ้าท่านกลับมาเผยแร่บ้านเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทราบนะนะ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 คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลงทุนลงรอนซื้อหาค้าขายเนี่ยเขารู้หมดนะว่าซื้อเท่าไร่ขายเท่าไร่จ่ายเท่าไหรกําไรขาดทุนเท่าไรเขารู้นะแต่เจริญกุศลเนี่ยตอนนี้ได้บุญเท่าไหรอ่อกุศลเท่าไหร่แล้วกุศลเนี่ยมันให้ผลต่อเท่าไหร่ต่อไปออไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญแม้กระทั่งระดับสูงๆก็ค่อยๆไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆมันาศาสนาช่วงนี้ครับพระจันทร์ข้างแรมเดือนเสี้ยวเนี่ยนะ ก็ค่อยๆเสี่ยวไปเรื่อยเสี่ยวไปเรื่อยเสี่ยวไปเรื่อยถามว่าน่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมสงสารเราเลอเกินนะนั่นมาเกิดยุคนี้นะเกิดยุคเครื่องเครื่อวัดยุคพระจันทร์ข้างเรา ม, นะมันเดินชนกันหมดนะมันมองไม่ค่อยเห็นกันนะยากมันก็พยายามปรับทัศนคติเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้เพียงพอไม่อย่างนั้นพุทธังสารานังคัจฉามิของเราก็เลื่อนลอย เพราะเกิดมาพ่อแม่ก็พาว่าพุทธังสารณังกัชามีมนา น, นแต่ว่าเลื่อนลอยเต็มทีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็นับถือเอแต่คนอื่นเขาไม่เลวนะคนอื่นก็ไม่ได้ด้อยกว่าพระพุทธเจ้านะขว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ดีคนอื่นก็ไม่ได้ดีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเลยทุกคนดีหมดเลยอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระอะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทบทวนให้ดีๆหน่อย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 ปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีกล่าวนอบน้อมว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากาศาสนาของพระโลกกนธาพระองค์นี้นะถ้าพลาดจากการกําหนดรู้ทุก์พลาดจากการละสมุทยัยพลาดจากการทำนิโรธให้แจ้งพลาดจาก ก, การเจริญอริยมรรคให้บรรลุโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคนี้สายอนาคตพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้คือพระโคดมผู้นี้แหละ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 มีอยู่6องค์แล้วก็ทรงพระไตรปิฎกจริงๆอย่างแตกฉานแล้วก็ได้อภิน ญ, ญาสมาบัติ4ชาติด้วยกันอันนี้สชาติที่บวชเข้ามาแล้วทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะได้สมาบัติ8อภิน ญ, ญาหคุณธรรมเว้นแต่มรรคผลซะเว้นแต่มรรคผลโลกิยะธรรมเป็นต้นเนี่ยกรร ม, มสกตาอะไรทอนท่านแตกฉานมากเลยเนี่ยนะสชาติก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาอันนี้ท่านก็ออกบวช ได้ฌานสมาบัติท่งพระไตรปิฎกหรือพระพุทธเจ้าพระนามวาสุมเมธพระพุทธเจ้าสุชาตเนี่ยนะเมื่อสามห0่นกับที่แล้วหรือว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามวากสปะเนี่ยนะในกับเนี้ยท่านก็สรงพระไตรปิฎกแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากะกุสันทะเนี่ยนะสององค์องค์งก่อนกับองค์เนี้ยท่านก็บวชแต่ไม่ได้กล่าวว่า ส่งพระไตรปิฎกแต่ก็อยู่ด้วยปีติโสมนัสในมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยปีติประพฤติข้อวัดปฏิบัติแสดงว่าเน้นในการเจริญคุณธรรมเหล่าอื่นมากกว่าที่จะเป็นเน้นในการส่งพระไตรปิฎกแต่ว่าหลังจากนั้นนะในชาติโชติปามามนบออกบวชในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นท่านก็ทรงพระไตรปิฎกนี่นะ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 แปลว่าเจริญมันเจริญด้วยความน่าพอใจแปลว่าประสาทแต่ละหลังอยู่สบายอยู่แล้วพอใจอยู่แล้วมีความสุขพระองค์นั้นมีนารีบำรุงคอยรับใช้เนี่ยนะก็คือแผนกที่คอยเรียกว่าจัดเวรจัดยามมาดูแลในการปรนนิบัติก็แบ่งเงินเป็นกะกะไปเนี่ยประมาณร่วมสา0 0 0ื่นนางแล้วก็มีเอกภรยาเนี่ยนะภรยาที่เป็นบาลีหลักอ่าเป็นเรียกว่าเป็นภรรยาหลักที่ประจําเลยนะก็คือนาง โรจินีเป็นตระกูลพราเหมือนกันมีอรสชื่อว่าอุตระพระชินะพะพุทธเจ้ากักูสันทานั้นพระองค์เห็นนิมิตสก็ออกอภินศษสกรมด้วยยานคือรถบำเพญเพียนมหาบำเพญประทานรวบรวมโพธิปักจิยธรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแปดเดือนบริบูรณ์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 พระโมคคัลลานะในชาติอขออภัยในสมัยพระกักูสันท่าเป็นผู้เจ้าเนี่ยนะเขาเป็นพยมานนะนะพระโมคคัลลานะเนี่ยเคยกินตําแหน่งมารมาแล้วนะไปทะเลาะกับพระอาหารหันต์วิทุระเนี่ยเอ่อทะเลาะกับพระอาหารหันต์วิทุระจนตกนรกเลยนะนะประวัติศาสตร์ท่านตกนรกหลายครั้งนะกับนี้พระโมคคัลลานะนะขนาดชาติสุดท้ายท่านยังพ้นจากนรกแล้วจึงมาเป็นอัคารสาวกเนี่ยนะนะอันโอ้สังสารวัฏนี่เสี่ยงมาก นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอาเกี่ยวกับเรื่องพระโมคขลานะเนี่ยไปทะเลาะกับพระวิธุระเทระอัครสาวกของพระพุทธเจ้านี่นะมาให้ฟังแล้วก็มีพระพุทธอุปถาของพระองค์เนี่ยนะชื่อว่าพระพุทธพุทธิชาเนี่ยนะพุทธีแปล ว, ว่าความรู้ชาแปล ว, ว่าเกิดผู้เกิดความรู้ อัคารส า, าวิกาชื่อว่าพระสามาและพระจำปาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าต้นสิริษะหรือไม้ศึกอัคาระอุปถาชื่อว่าอจุ ข, ขตะและสุมานณะมีอัคาระอุปถาญิกาชื่อว่านันทาและสุนันทาพระมหาโมนีนั้นสูง42รัศมีสีทองแล่นไปรอบๆ10 บ, บ, บโยช น, นะโอรัศมีแผ่เป็นร้อยกิโล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 วรสถูปเจดีอันประเสริฐของพระองค์นะที่นั้นสูงจดฟ้าขาวุฒหนึ่งนะก็ร่วม4กิโลเนี่ยนะเจดี JD สูงมากก่าภูเขาใหญ่ๆลูกหนึ่งนะคิดง่ายๆสำหรับในอัตถกา ม, มัทุรัฐวิลาศินีเนี่ยนะกล่าวกล่าวเพิ่มเติมรายละเอียดในพุทธวงว่า เมื่อพระเวสสุูสัมมาสยัมภูพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยลําพังพระองค์เองเสด็จดับขันท่ ป, ปรินิพานแล้วเมื่อกับนั้นล่วงไปเมื่อกลับนั้นผ่านไปดวงทินกรณ์นะธินกรก็หมายถึงดวงอาทิตย์หมายถึงพระชินะพุทธเจ้าก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยตลอดระยะเวลา29ก้บับถามว่าเหมือนกับโลกนี้เนี่ยถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเลยโลกจะเป็นยังไง สับสนโอดลมานใครเรียกว่าชลมุนวุ่นวายเดินไปไหนก็คงยากลําบากแท้เนี่ยนะชันใดถ้ากลับใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับกลับที่ปราศจากดวงอาทิตย์เหมือนโลกที่ไม่มีดวงอาทิตย์ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็มีแต่ความมืดความบอดใครเรียกว่าเอกราชอธิปไตยของกิเลสมารก็กำเริบเสบสารใหญ่มากนะพยายพยามยารมมทั้งหลายก็มีอำนาจบาดใหญ่เต็มที่เลยแหละแต่พอมาถึงกลับนี้พัทธกับ กับนี้เรียกว่าพัฒกับตลอดเวลาเสียสงไขยแสนกว่ากลับมาเนี่ยไม่เคยมีกับใดที่จะเจริญเท่ากับกับนี้เลยกับที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นกับที่เจริญที่สุดนะแต่ก็มาคิดอีกนายหนึ่งว่าอู้ยุคนี้เศรษฐกิจ ด, ดีเศรษฐกิจ ด, ดีที่สุดแต่ก็ขอทานเหมือนเดิมเนี่ยนะมันเศรษฐกิจ ด, ดีก็เหมือนเดิมชั้นใดผู้ที่ศึกษาพระธรรมมานะคิดอีกนายหนึ่งก็บางทีมันก็คล้ายๆกันนะเข้าบรรลุเยอะแยะมากมายเลยแต่เราก็เหมือนเดิมเนี่ยนะเอ๊มเกิดอะไรขึ้น เขาบอกคนอื่นเขาร่ํารวยกันเยอะแยะเลยแต่เราก็จนจนเหมือนเดิมอันี้ก็เหมือนกันนะบอกว่ากับนี่คือพัทธกับกับที่เจริญมากเป็นกับที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ถ้าพลาดจากกับที่มีพระพุทธเจ้า5องค์แล้วเนี่ยนะมันจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะมันเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายเถิดเนี่ยนะราต้องจเจริญกรุณาจเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะ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 องที่หนึ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยต่อไปก็พระพุทธเจ้าโกโนาคมณนะและพระพุทธเจ้ากัสปะและพระพุทธเจ้าของเราส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมตไตรเนี่ยนะจากอุบัติในอนาค ต, ตการด้วยประการดังกล่าวมานี้บอกว่าอีก น, น, นั่นเหมือนถ้าใครบอกโอ้ยรอภาษีอ่านก็ยังไงยังไงก็เตรียมสบียงไว้หน่อยแล้วกันน่นะ ไม่ว่ากันนะบอกแม้จะเดินทางเขาเรียกว่าไปดื่มน้ําบ่อหน้าเนี่ยนะก็อย่าลืมพกอะไรนะกระเจีน้ําใส่น้ํำไว้เยอะๆนะจะได้ถึงบ่อข้างหน้าต่อไปกับนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญว่าเป็นพัทธกับยกย่องมากนะยกย่องกลับนี้มากว่าเป็นพัทธกับแปลว่าเป็นกลับที่เจริญมากเพราะประดับด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระผู้เทอเจ้าห้าพระองค์นะ กับเนี่ยมีอยู่2องสองอย่างนะพูดถึงกับเนี่ยนะกับเนี่ยมี2อย่างสุนยากับกัสุญญากับสุศูนยะ0ูนย์ก็แปลว่าเลข0นย์ไม่มีอะไรศูนย์ไร้ค่าศูนย์ตัวเดียวไร้ค่าถ้ามีตัวนาหน้าอะไรบ้างสักอย่างมันอาจจะมีค่าแต่ปกติศูนศเนี่ยไม่มีค่าอะไรหรอกนั่นนะกับที่เรียกว่าศูนย์กกับเพราะมันศูนย์ฉะนั้นแปลว่ามันว่างเปล่าปราศจากพระพุทธเจ้ากับและอัสุนยากับ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 นะกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น4ี่องค์เช่นเมื่อสีอสงไขยแสนกับที่แล้วนู้นน่ะมีพระพุทธเจ้าตันทางกรเมทังกรสรนังกรทีปังกรเกิดขึ้นสองค์และอสงไขยที่สองมีพระพุทธเจ้าเกิด4ี่องค์เหมือนกันคือพระองค์มังคละสุมาณะเรวัตตาและโสพิตะส่วนกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3พระองค์เนี่ยนะมีอยู่สองครั้งคือเมื่ออสงไขยที่สี่ พระพุทธเจ้าอนมทัตสีปทุมะเละนารทะส่วนเมื่อกับที่ 1,800 เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3องค์เหมือนกันก็คือพระปิยะทัศสีอัฏฐทัศสีธรรมทัศสีสองค์ส่วนกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิด2องค์เนี่ยนะมีอยู่หลายครั้งด้วยกันเช่นเมื่อส 0,000 ื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าพระนามวสุเมศและสุชาตะเกิดขึ้นหรือเมื่อ92กลับที่แล้ว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 เก้ับนะพระพุทธเจ้าวิปัสสีพันกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น1องค์เนี่ยมีหลายครั้งมีสององค์ก็น้อยลงไป3องค์ก็น้อย4องค์ก็น้อย5องค์เนี่ยเพิ่งมีครั้งเดียวนะก็คือกับเนี่ยที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหูตั้ง5พระองค์เลยนะโอกาสทองมีอยู่5ครั้งใหญ่ๆเลยนะนั่นก็ขอให้โชคดีขอให้โชคดีมีชัยก็แล้วกันนะฮานุโมโทนาด้วยนะที่เกิดมา ในพัทธกัปเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ล้วนแต่ละนิวรหมีสติตั้งไว้ในสติประฐานสเจริญโพชงเจ จึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณก็คือปฏิบั ต, รอรตรริอริยมรรตตรัสรู้อริยสัจมันพระองค์อดีตก็ปฏิบั ต, รอรตรริอริยมรรคตรัสรู้อริยสัจพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ปฏิบัติในอริยมรรตตรัสรู้อริยสัจพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ปฏิบัติในอริยมรรคเพื่อตรัสรู้อริยสัจพันที่สาคัญก็อย่าให้พลาด